โอเคลาว่าหลวงพอกรมแล้วก็นาครุวาอาจารย์ท่านเพื่อนสาธานิทุกท่านก็จะเริ่มเปอนในทีพยาติโมทุกๆคนครับทางสบายสบายก็ก็ธรรมะก็ทำให้เกิดปัญญา กัรฟังก็ดีการปฏิบัติก็ดีพวกเราก็จะได้มีโอกาสสัมผัสธรรมะจากการได้ยินจากการสัมผัสกายว่าใจที่เกิดขึ้น ช่วกันนะปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้สินทราเอมาสวดมนต์ก็เป็นโอกาสที่ได้สมัมปัิบับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ความจริงที่ ก็ในปัจจุบันกันนะปัจจุบันกันนะที่จิตใจยของเราก็มีอาการสภาวะทำทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามีสัตว์ ว่าโดูว่ากุ้นอะไรในปัจจุบันนี้ก็จะได้ปัญญาทำให้ลดบรรเทาความทุกข์สร้างความสุขที่แทจ้จริงที่ใจของเราได้ พระพุทธเจ้าก็บอกถัดไปว่าปัญญานี้เกิดจากสามสี่ที่จากการพบบัณฑิต ที่เรียนรู้ที่เข้าใจธรรมะแล้วก็ได้จิ้นได้ฟานธรรมะจากกู่บาจังก็ดีหรือว่าเป็นคำปีนังสือก็ดีแล้วก็ ยี่สมาหนึสิก้าคือว่าให้เรียนรู้ใช้ความคิดเพื่อประโยชน์เอามาใช้เพื่อเกิดปัญญาพินิจพิจารณา แล้วก็การปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเปมภาวนาการปฏิบัติธรรมการเจริญสติสมัตะกรรตฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีจากการปฏิบัติธรรม เวลาช่วงนี้ก็เป็นโอกาสได้ดินได้ฟันธรรมบ้านแล้วก็เราก็ปฏิบัติเฝ้าดูจิตใจของเราเองด้วยเป็นกายว่าเป็นยังไงมีความสุข รู้ว่ามีความทุกข์จิตใจที่ปัจจุบันนี้เป็นยังไงมีความอยากมีหรือเปล่าหรือว่าไม่มีความโกรธมีหรือเปล่าหรือไม่มีความหลง มีหรือเปล่าไม่มีก็เราก็ดูด้วยตรงเองกายทุกทางกายทุกทางใจให้ดูไปมีสมาธิความดีงาม มีหรือเปล่าในปัจจุบันนี้หรือว่ามีฟุ้งซ่าวงเขาโนมจิจฟูฟูแฟแฟ่หรือว่าเป็นปิจิกิช้าความรังใดสงสัยมีหรืเปล่าในปัจจุบันนี้คะนี้ ถ้ากำลังเกิดก็เราก็เฝ้าดูมันว่ามีมีก็ไม่ต้องปฏิเสธก็ได้ก็ให้หน้าที่ของเราก็ไม่ใจเป็นทุกไม่ใจเป็นผู้โกรธไม่ใจเป็นผู้อยากเอาแต่เห็นว่าเป็นอาการ แงกขึ้นถ้าเราไม่ยุดมั่นถือมันไม่เป็นก็เป็นสลายออกไปหรือว่าหายไปเองเป็นธรรมชาติเป็นอ น, นิจจันร์ ก็เราก็เรียนรู้จากกาการที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปที่กำลังเกิดในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้บางทีมียุงกาดก็คันบางทีมีมเมล็ดเล็กๆมันก็รู้สึกวาย หรอว่ากระตบกระเทือนใจมันทีเห็นอะไรเพื่อมีความสุข ก, ก็เกิดที่จาริสยาอ้าก็เป็นอาคารก็เป็นนิ ส, สยัยความเป็นมาก็ไม่เป็นไรเราก็แก้เอาแต่รู้ มันก็เป็นบัญญาณที่ทำให้เกิดนามรูปก็วันนี้ก็เป็นสังการนี่เป็นปัจจัยอาบิจาเป็นปัจจัยแต่ว่าเราก็เลือกได้ถ้ามีสติก็ไม่ให้เกิดเป็นจิตมันเป็นปุนเต็มไป เอาแต่ตามเป็นเวตนาสุเวตนาทุกทางไงทางใจก็เป็นชุเป็นเป็นที่แยกแยกไปได้เป็นกลางว่าสมมาวายมะ เป็นความเพลินชอบก็น้เองเราก็ใช้สติแล้วก็เลือกที่จะละออกไปในเวลาที่การันจะเกิดที่เวทนา ก็ไม่ให้เป็นตังหาประทานก็ไม่ให้จิตปุนเต็มไปถ้ามีสติรู้เท่ารู้ทันก็เราก็เป็นสิทธิที่จะเลือดว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดอักขศรธรรม เป็นตังหาอุาปาตางเกิดขึ้นก็พยายามจะงับพยายามที่จะตัดออกไปถ้าเป็นอากามเวทนาเป็นธรรมชาติที่เป็นิสเป็นความเป็นมาเป็นปัจจัยเฉยๆปัจจัยนี่ ไม่ให้เป็นผมร0 0ซได้ปัจจัยก็เป็นแค่กระแสน้ำเหมือนกับเสีน้ำแต่ว่าเราก็เอากระแสพลังกระแสจิตก็เปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรียนรู้ถ้า เรารู้มีสติแต่เจ้าของชีวิตจิตใจก็เลือกได้ว่าให้เป็นแง่ข้อมือที่จะเกิดเป็นปัญญาได้ว่าเป็นอนิจจงอนัตตาทุกขกันเป็นอย่างนี้อย่างนั้น ทำไมให้ตัดหาปาตามเป็นอักสมแล้วก็เลือกเป็นกุสมสิ่งที่กำลังจะเกิอดอกุสองให้เป็นเปลี่ยนเป็นกุสมให้เกิดที่ยังไม่มีก็เป็นสัมมาวายโมความเพียรชอบ แล้วก็ให้เกิดขึ้นคือสรธรรมเป็นสติสมธมปัญญาให้เข้าใจเป็นอาการชีวิตจิตใจในปัจจุบนันนี้ปัจจุบันนี้เกิดขึ้นไปเรื่อยๆเอย เ, อยเราก็มีโอกาสเรียนรู้จาก อาการนั้นทุกสิ่นทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยได้เรียนรู้สัมผัสแล้วก็ได้ประสบการ์ด้วยตรงเองว่าทุกเป็นอาการยังไงความสุขเป็นยังไงเป็นอเวกขาเป็นยังไง เราก็เห็นอา น, นังซื้อได้จินได้ฟันธรรมะนี่ก็เป็นธรรมะที่ด้านนอกแต่ว่าธรรมะที่ด้านในที่เราสัมผัสได้ในเชื่อขณะชั่อปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ สัมมาทิฏฐิก็อยู่ที่ปัจจุบันนี้มิจาทิฏฐิก็อยู่ที่ปัจจุบันนี้สมาธิก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็ให้ดูไป อาการเป็นยังไงร่างกายเป็นความร้องความหนาวก้อ น, นี้ก็เป็นธรรมะเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นเราก็ให้เฝ้าดูไปก็ค่อยๆเข้าใจว่าอ้อไม่มีไม่มไมตัวไม่ตน้นมีแต่อาการเกิดตับเกิดั บ, ดบ ไม่มีสัตว์ปุกกอนอะไรก็มันก็เป็นความคิดมันก็สร้างขึ้นมาเอนเป็นภาพมโนภาพเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าถ้าดูดีๆก็อันนี้ก็มีแต่อันนี้จังอนตาตตา มันก็ปากฏกันอยู่ในปัจจุบันนี้เรื่องอดีตจริงๆแล้วอดีตอนาคตเป็นเวลานี่ก็สร้างขึ้นมาในปัจจุบันนี้เราคิดปรุงแต็มไปเรื่องอดีตก็กำลังจะผู้ในใจ ใช้ภาษาเอาไปให้เรื่องเป็นสัญญามาใช้านเรื่องอนาคตก็เหมือนกัน <c oughs> ก็เราคำลังจะสร้างขึ้นมาคำลังจะคิดอานาคตไม่ใช่เป็น การปฏิบัติในเรื่องอนาคตการกระทำในใจที่ปัจจุบันนี้ที่เราทำกันอยู่ก็อยู่ที่นี่นั่งเองแล้วก็เราก็สราบว่าถ้าไม่เท่าไม่ทนันก็รู้สึกว่านี่เป็นความจริง จิงๆแล้วมันก็เป็นที่จิตใจสร้างความไม่ใช่เป็นความจริงความจริงก็ความคิดที่กำลังเราก็สร้างขึ้นสร้างขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องอนาคตก็ให้ดูดีๆ เราไม่ตอนทุกก็ได้แต่เราเป็นเจ้าของในปัจจุบันนี้เจ้าของกองกลารกระทในใจการกระทำเป็นมนโนเชตนาที่กำลังสร้างกรรมที่ทำให้เกิดพบชาติก็เราก็ ให้รู้ให้เท่าทันก็มันก็ดับไปเองเป็นต่โดยธรรมชาติเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้พลังที่จะสร้างเป็นปูนเตนก็มันก็หายไปเอง แผงกลากระทำนั่งเอนที่เป็งกรรมกรรมนี้ไม่ใช่ เ, เรื่องอดีตชาติอนาคตชาติก็กรรมก็อยู่ที่นี่อยู่ปัจจุบันนี้ทำกรรมแล้วก็ได้ผลในปัจจุบันนี้ถ้าคิดความทุกข์ ก็ได้ความทุกข์ในปัจจุบันนี้เราก็ได้ผมได้พบได้เจอก็ไม่ใช่เป็นเรื่องอดีตทำให้เราทุกข์นี่ก็จริงๆแล้วไม่ใช่ ทำให้กดทุก็เราทำอะไรในปัจจุบันนี้ทำอะไรปิดต่างกายตางวาจาต่างใจโดยเฉพาะทางใจนี้ก็มันไม่ชัดเจนถ้าเราดูแต่ ด, ด้านนอกก็ไม่ชัดเจน แต่ว่าจิงๆมันด้านนอกก็มันก็เกิดขึ้นเป็นจาวิญญาณที่สร้างขึ้นมาในปัจจุบันนี้เป็นวิญญาณนี้ก็เป็นที่ทำให้รูปนามมันก็เกิดขึ้น เราก็เขี่ยวก้องกับเรื่องรูปนามเป็นบิญญาอาหารถ้าดูดีๆก็รู้รูปนาให้ชัดขึ้นชัดขึ้นในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นที่ ดูดอะไรก็เลือกด้วยตรงแอนโดยไม่รู้ตัวบ้านแล้วก็ให้มีความหมายใส่ใจมีความหมายต่อสินที่เราเห็นดูก็มันก็ ป้ายติดความหมายด้วยตรงแอนในปัจจุบันนี้เขาเป็นคมไม่ดีก็ไม่ใช่เป็นคมไม่ดีอยู่ที่นั่นก็เราก็ติดป้ายในปัจจุบันนี้ก็เลยเห็นว่าเป็นคมไม่ดีอยู่ที่นั่น คนที่เป็นสดชื่นเบิกบานเจอแล้วก็รู้สึกว่าคนนั้นเป็นสดชื่นเบิกบานแต่ว่าดูดีๆมันความสดชื่นเบิกบานนี้ก็อยู่ที่ไหนเกิดขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นที่ใจเราก็รู้ก็เลยหรือว่ามันสดเชื่นเปิดเบิกบาน แก okay. มันบินยางก็ทำให้เกิดนามารูปในปัจจุบันนี้ก็มันเราก็มันเกี่ยวก้องกันแล้วมาถ้ารู้เท่ารู้ทำไม่ได้ไม่รู้ไม่เท่าตั น, นก็มื นามรูปก็เป็นเกิดไยะธนะสัมผัสปัสสะเวทนาก็ทุกบ้างสุกบ้างก็มันก็ให้รู้ได้ถ้าหรือไม่ทันอีกก็มันก็เกิดเป็น ทังประตามเป็นธาตุของความอารมณ์ธาตุของสัญญาสังขารมันก็พาเราไปที่นั่นที่นูน่นเราก็ไม่มีสละแต่งประามพบเจ้าเราทุกอะไร ส, สารพัดอยา่างว่าเป็นตัวเป็นตน มันทุกข์ก็สร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นอาสวะกิเลส ท, ทำให้เกิดเต็นอวิชชาเป็นสังการต่อไปอีกเรื่อยๆเป็นบองกลางปอนจองกลมเป็นสันตจังชาทยาน แผ่นโลบโลบมันเกิดแผ่นพอบชาเป็นหลายหนในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็เราก็ให้เป็นบรรุให้รุดพน้นก็ได้ปัจจุบันนี้รุดพ้นจากวงกลม สังชาติยานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ให้หลุดออกจากนั่นด้วยสติด้วยปัญญาสติมีแล้วก็เราเลือกได้ว่าจะหลุดออกจากที่นั่น ก็เลือกในปัจจุบันปัจจุบันตามไปเรื่อยๆก็เป็นนิสัยเป็นอ่าเป็นไปตามธรรมชาติจิตเดิมแท้ก็อยู่ที่นี่ อยู่ในปัจจุบันนี้มีน้ำหนักก็เปลี่ยนแปลนแต่ความเป็นน้ำหนักก็อยู่ที่สารสารวัตแต่ว่าตอนนี้มีน้ำหนักก็อยู่ที่เป็นบนันหรือเป็น มาผ่อนยี่ปันได้ม่ ก, ก็อยู่ที่นี่ไม่ต้องหาอนาคตผ่อนก็อยู่ที่นี่ไม่ต้องหาอนาคตสาเหตุที่ทําให้คือตึกก็ไม่ต้องหาอดีตหรืออดีตชาติก็เราก็สัมปัตไ้ในปัจจุบันนี้ แห่งการมีสิทธิที่จะเลือกที่จะอิสระจากอาการต่างๆแล้วเรียนรู้ไปเรื่อยๆ เ, เป็นปัญญาก็เกิดขึ้น มันกอร์ป ja, ัญญาก็ยินสอนนาสิกาซ้ำเวกเกิดขึ้นแล้วก็ก็ออกจากความทุกข์ไปเรื่อยๆ วามทุกเกิดขึ้นก็ให้เรียนรู้ก็มันก็มีเมตตาการณุณาก็เกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะว่าถ้าเรารู้แล้วก็เออนี่สตัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันมันเป็นอาิจาเป็นสังการ ไม่รู้ไม่เท่าต่างก็เลยความทุกข์ไปเรื่อยๆก็สรส้างซ้ำแบกก็เกิดขึ้นก็เป็นเช่นนั้นก็เราก็พยายามที่จะช่วยเหลือบ้าน ความก็เป็นเมตาาาตากรุณาโดยธรรมชาติไม่ต้ บ, บังครับแป็เมตตาสวดไปหลายชั่วโมงก็ได้เราก็รู้เห็นอภิจาที่เกิดขึ้นที่ในใจปัจจุบัน ทันธห้าเกิดขึ้นที่ในใจปัจจุบันก็มีปัญญานี่ก็ไม่ใจเป็นศัตรูไม่ใจเป็นสิ่งที่ทำลายเรามันความทุกข์เป็นนาจางความทุกข์ที่ทำให้เราเรียนรู้ปังหาชีวิต ก็ให้โอกาสเราเป็นคมเป็นมนุษย์ก็ได้มีโอกาสได้ปัญญาได้บัรฑุก็เพราะฉะนั้นก็พวกเราก็การที่ดีเป็นโชคดีได้สัมผัสกับธรรมะที่ความจริง เป็นคำสองกรมพระพุทธเจ้าคำสองกรมหลวงพอ่อคำเขียนหลวงพ่อครมและกูาจารย์พ่อเทียนนี่ก็พื้จริงจินรอยเปอร์เซนต์ก็หน้าที่ของเราก็พยายามที่จะปฏิบัติให้เจริญสติ สตินังแอนที่ทำให้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกุศล ม, มันต้นต่างให้เกิดขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> รก็พอสงกันแหเวลาเพื่อมาเพียงแก่นี้ก็จะเริ่มปอน